ขอความสุขความเจริญจะมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่รมประโพธิยานกำลังนำเสนอการปฏิบัติของพระโพธิัต์ก่อนที่จะได้สัสรู้ซึ่งสังเกตว่ามีความเข้มข้นขึ้นมาโดยดําดับในข้อต่อไปนั้นก็อยู่ที่นวักาานิบาตังคุตรนกาย เป็นพระธรรมเทศนาที่รับสั่งเล่าให้พระอนุน์ฟังที่อุรุเวลากัะสปะนิคมของชาวมัลละในมัลละกลัฐเนื่องจากตปุษกากราบ ด, ดีได้เข้าเฝ้าและกราบทูลถึงข้อที่พวกคารวาเจ้ามมุมเมาติดในกามอยู่เป็นปกติในขามะ คือการออกบวชเนี่ยไม่ค่อยปรากฏภายนใจคือการพยายามออกจากกามนะแบบชาวบ้านเนี่ยไม่ค่อยปรากฏภายในจิตใ จ, ใจตอของเขาพระเจ้าก็รับสั่งเป็นทํานองให้คิดเทียบเคียงเอาคือเปรียบเทียบเอาแล้วก็ไม่ใช่ยกตัวอย่างพระองค์สมัยที่เป็นพระพุทธเจ้าก็ยกสมัยที่เป็นเป็นนักบวชองหนึ่งนะฮะในโลกเนี่ย ว่าปฏิบัติยังไงจึงจิตใจจะไม่เกี่ยวเกาะอยู่กับการมคุณมากเกินไปเพราะว่าสังคมโลกนี่มันก็ไม่รู้ยังไงนะฮะปนปลือกันด้วยกามคุณด้วยประการต่างต่างต้องการได้ต้องการมีต้องการเป็นมันก่อนออกจากป่าติโมก็มีเจ้าคุณหนุ่มที่วัดเนี่ยเ็าเดินตามมาบอกเออมัน ราชาบัญญัติเนี่ยมันจะทําพระให้เป็นคนในขณะที่พระธรรมวินัยกําลังทําคนให้เป็นพระแล้วมันก็ขัดสวนกันอย่างแรงแล้วคนไปให้ความต้องการแก่กฎหมายมากกว่าตัวพระธรรมวินัยเพราะว่าธรรมวินัยเนี่ยาศาสดาเนี่ยตองนี้ผ่านไปแล้วก็ยังเหลือแต่ธรรมวินัยเป็นาศาสดาแต่ว่ากฎหมายเนี่ยคนให้คุณให้โทษมันยังอยู่ให้คนให้โทษตามกฎหมายนี่เขายังอยู่ เลยก็ไปให้ความต้องการแก่กฎหมายมีคราวหนึ่นองอาตมาเคยไปบรรยายอบรมพระสังคติการต่างจังหวัดหลายจังหวัดเจ้าหน้าจังหวัดก็นั่งกันอยู่เยอะเราก็เตือนให้สติท่านเนะี่ยบอกว่าตระหนักถึงรมาทำบินัย น, นะครับอย่าไปสนใจเรื่องกฎหมายให้มากเกินไปถ้าท่านไิบัติชอบตามไปทำบิ น, นัยไม่ต้องกลัวหรอกมันถูกกฎหมายไปเอง แต่ว่าที่ทํานั้นไม่ใช่กฎหมายบังคับให้ท่านทำแต่ที่ทําเนี่ยเพราะท่านเคารพต่อประธรรมนี้ในมันจะเป็นจิตวิญญาณมากกว่าที่จะถูกบังคับด้วยกฎหมายเจ้าในาจังหวัดบางวงบอกจะาคุณพูดอย่างนั้นพระก็ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายนะว่ามันจะแปลกอะไรไม่ปฏิบัติในเมื่อเราปฏิบัติตามพระวินัยอยู่แล้วก็คือว่าหยุดในกฎหมายปัจจุบันถ้าหากว่ากฎหมายมัน ไม่ตรงกับพระธรรมวินัยคือขัดแย้งกับพระธรรมวินัยมันก็เป็นโมฆะมาแต่ต้นแล้วเพราะในตัวพระราชบัญญัติเนี่ยเขาบอกไว้ว่าต้องไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายพระธรรมวินัยซึ่งเราให้ความสําคัญแก่พระศาสดาแก่พระธรรมแก่พระสงค์แก่ใจจิกขามากกว่าที่จะให้ความสําคัญแก่ปุะชชนคือกฎหมายเนี่ยดูที่มาแล้ว ที่น่าเคารพที่ทุนอยู่คือพระประมาพิไทย่นั้นเองแต่ว่าคนที่ออกกฎหมายเนี่ยบางคนม่นก็แย่นะฮะไม่มีอะไรที่น่านับถือด้วยซ้าไปแต่ว่าเราก็เป็นหน่วยหนึ่งสังคมก็ต้องปฏิบัติต้องเป็นไปตามแต่ประเด็นสำคัญว่าพอมาถึงความเป็นพระเนี่ยมันน่าจะไปเน้นที่ตัวพระธรรมวินยัยไม่ใช่เป็นเน้นที่ตัวกฎหมาย เวลาเนี้ยบางทีก็มีปัญหาจะยกตัวอย่างว่าพระป่วยในพระอาภาษเนี่ยมีพระบางองค์ท่านไม่ ย, ยอมเลยนะให้ผิดวิ น, นัยเให้หมอบังคับให้จันข้าวมือเย็นอาหารไม่พอไม่พอก็ตายก็ตายอ่พรอก็ตายไม่พอก็ตา ย, พตายเพราะฉะั้นคนที่เห็นแก่พระธรรมวิ น, นัยนี่ยเขาจะไม่เห็นแก่ไอ้ความเจ็บปวดทุกทรมานหมอครูบอกว่าไม่รับประทานไม่ได้นะท่านมรณภาพนะมรณะภาพก็มรนาภาพอสิ ย้่าแปลกอะไรอ่ะมันก็ตายอยู่แล้วอ่ะเนื่องในตายเร็วขึ้นเนือในตายช้าลงเราไม่ได้เจตนาฆ่าตัวตายแต่วินัยกําหนดเอาไว้อย่างนั้นแต่ถ้ากรอบควาวินัยที่จริงมีพอนะะมีพอที่จะให้พระเขาอยู่ได้โดยไม่ถูกเสียดแทงเพราะเขา อ, อนุญาตน้ําต้มเนื้อน้ําเอข้าวน้ําอะไรต่างๆนี่เยอะแยะนะฮะแม้แต่หนุ่มบาลีก็อนุญาตไปนะฮะขีระปานังปโยปานังขีระปานังเลย ซึ่งพวกเราไม่ไม่ไม่รับประทานกันเองคือหมอเคยบอกนะครับบอกว่าคนไทยในยท้องมันโครงสร้างโครงสงร้างร่างกายไม่ถู ก, กนมเพราะ้วเวลารับประทานนมเข้าไปส่วนมากท้องจะอืดคนที่อายุมากๆหน่อยนะฮะแต่คนเด็กหนุม่มเด็กสาวเด็กรุ่นใหม่เนี่ยเขาก็รับประทานได้พระเจ้ารับสั่ง วานานนท์ครั้งก่อนแต่การจัดสรู้เมื่อเรายังไม่ได้จัดสรู้ยังเป็นโพธิสัตว์อยู่ความรู้ได้เกิดขึ้นแก่เราว่าเนคขมะหรือการหลีกออกจากกามเป็นทางแห่งความสําเร็จปวิเวก ค, ความอยู่สงัดจากกามบางทีปวิเวกเนี่ยปวิเวกวิเวกปวิเวกวิโมกปวิโมกอะไรอี่ยมันเราจะได้ยิงคําเหล่านี้แต่สรุปปวิเวกเนี่ยมันจะมีอยู่สามประการ อย่างหนึ่งก็คือกายอยู่เปเวกสงัดกายสงัดกายก็มีอยู่สองระดับระดับหนึ่งเป็นที่อยู่ระดับหนึ่งเป็นสงัดด้วยศีลนะฮะคือก็เรียกว่ากายไม่ขนองกายไม่ขนองวาจารกายไม่กำเริบวาจาไม่กำเริบก็อยู่ในขันลองสุจริตแล้วก็จิตตัวเวกสงัดจิตระดับของกรรมฐานนะระดับของกรรมฐานก็ทำจิตให้สงบ แล้วก็อุปทิวิเวกสงัดกิเลสซึ่งกิเลสมันก็สงัดไปตามลําดับนะไม่ใช่สงัดหมดเพียงแต่ว่าทําไงบรรเทาลงมาหน่อยไม่ใช่ว่าไปเห็นแล้วก็อยากได้เห็นแล้วก็กําหนัดเห็นแล้วก็พยาบาทเห็นแล้วก็ขัดเคืองไอ้นี่มันก็หนักมือไปหน่อยล ด, ดลดไปหน่อยแล้วก็เป็นทางแห่งความสําเร็จแย่งนี้ แต่แม้กระ น, นั้นจิตของเราก็ยังไม่แล่นไปไม่เลื่อมใสไม่ตั้งอยู่ไม่หลุดออกไปในเนคขมะทั้งที่เราเห็นดูว่านั่นสงบอันนี้คือเรื่องใหญ่เห็นไหมจริงๆแนวที่อาตมาบรรยานยนะก็จะเห็นว่าที่จริงเราก็ปูดจากหลักฐานทางหนังสือถามว่าเราทําได้ไหมเราก็ทําไม่ได้อ่ะแต่เราเล่าบอาพุทธยาทาได้เพราะว่าเรื่องมันไม่ใช่ง่ายอ่ะ เราเห็นแสนจะเห็นยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเนี้ยเมืองไทยเราเนี่ยถ้าเราแก้อบัยมุกสักสามอย่างเนี่ยแล้วมารณรงค์อีก่สามอย่างเข้ารโครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองอบรมประชาชนในโครงการแผ่นดินธรมแผ่นดินทองมาขอสามอย่างหนึ่งความเกียรคร้านทําการงานพูดกระตุ้นคนไทยขยันน้อยถ้าไม่ต้องการให้พูดเกียรติ้านก็คือพูดว่าขยันน้อยแต่ไม่ใช่ทั้งหมดหรอกโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือชนชั้นการมาชีพเนี่ย ขยันน้อยไปดูเถอะทางานเสร็จนั่งสูบบุหรี่นั่งดื่มเหล้าไปเที่ยวจ่ายสตางค์หมดได้ทำยังไงเพราะไม่ต้องลดตรงนี้ลงไปแล้วก็ลดอบายามุกอบายามุกสองเรื่องขอสองเรื่องมันจะขอหมดหรอกขอเรื่องการพ น, นันกับสิ่งเสพติดเราแก้ปัญหาตรงนี้ได้ปัญหาสังคมเลยแก้ได้เยอะเลย จะ แ, แก้ได้หรือเปล่ามันมีกลุ่มผลประโยชน์อยู่หมดเลยพวกใบย ม, มุกสองข้อเนี่ยการพั น, นันกับสิ่งเสพติดเนี่ยมีกลุ่มผลประโยชน์มหาศาลเวลานี้ยิ่งหยุดไม่ได้ใหญ่เลยบ่อนมาอยู่ติดด้านตะวันออกนะด้านตะวันตกก็มีบ่อนแถวระยองก็มีบ่อนระนองนะฮะก็มีบ่อนแล้วก็แถวด้านพม่าเนี่ยก็มีบ่อน ทางด้านเชื้อราทางด้านก็ได้สามเหลี่ยมทองคำอะไรเนี่ยบอนเต็มไปหมดเลยนะและที่น่าเจ็บใจก็คือว่าบอนมันเล่นมาทางอินเทอร์เน็ตวันก่อนเนี่ยผลเอกสล่างอุนหน้าก็เปิดได้ดูโอ้โหเอาขนาดนั้นนี่นี่คือสิ่งที่เราต้องเอาชนะใจตัวเองเนียแต่ปรากฏเราทได้หรือเปล่าก็ทำไม่ได้แก้ไม่ได้ เพราะอะไรเราเห็นโทษโดยความเป็นโทษเห็นคุณโดยความเป็นคุณแต่ใจมันไม่ไปการพูดเนี่ยเราก็พูดในระดับบุญคุณโทษประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์เอาค่จริงเนี่ยแม้แต่ว่านักปฏิบัติธรรมเองก็เอาไม่อยู่วันก่อนอยางยังนึกสลดใจนะฮะมันมีรายการที่อะไรปอตอ์นะเขาก็มาขออรรมาช่วยบรรยายให้สา สาวันวันพุทธสุขวันวันพุทธปฏิทินสุขแล้วก็องนั้นก็พระอีกองค์หนึ่งกับโยมซึ่งบรรดาเมรก่อนอีกองหนึ่งแล้วพอดีก็จัดงานสัปดาห์ส่งเสริมศาสนาในเทศกาลมิสซาข่าวิชาเนี่ยมาก็เดินตรวจในฐานะเป็นเลขาธิการงานเนี่ยก็เดินตวจทวาเรียบร้อยก็เดินเกี่ยวทุกวันนะแล้วก็ผ่านร้านที่วิทยากรซึ่งเป็นนักเผยแผ่ธรรมะ แกคงมีความรู้สึกว่ามาไปแย่งรายการแกอะไรก็ไม่ทราบนะคนนี้เคยได้ยินชื่อแล้วเข้าใจว่าเคยพบแล้วจำไปก็มีเจ้าหน้าที่ในนั้นแหละเขาเห็นก็จําได้เขาก็รีบออกมารอนรับแล้วก็ไปบอกคนนั้นให้มาให้มามารู้จักกันนะ่มาพบอะ่ะที่จริงก็มาพบอก็อรู้จักแล้วทําอู้อีอู้อีทำห e, e, ลบไปหลบมาอย่างนั้นไม่ไม่ขึม้มาโอ้โหเนี่ยนัตมาเป็นอย่างนี้เอง ที่เราเป็นพระเราเว็นเลขาธิการจัดงานตรงเนี้เราบริการเขาเนี่ยเขาควรทํานึกนะแต่เขาก็ไม่ทําสักอย่างในฐานะที่เขาเป็นอุปสมบไม่ทําเลยสักอย่างหนึ่งนั่นก็คือแสดงให้เห็นเลยว่าบางที่เราพูดธรรมะได้แต่เราไม่มีธรรมะธรรมะนั้นจะต้องศึกษาจะต้องพิจารณาจะต้องปฏิบัติแล้วให้มีธรรมะแน่นอนเรามีสมบูรณ์ไม่ได้เรา แต่ต้องมีเป็นหลักอยู่อย่างในกรณีของเนคขม่ากับปอบิเวกเนี่ยเราจะเห็นว่าจริงๆมันมันไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นพระหรือเป็นโยในคขม่าแปลว่าออกจากกิเลสชัดๆเนี่ยคือออกจากกิเลสทายังไงว่าความโลภมันโกรธสลัดโลภออกไปโกรธมันโกรธเออเกิดก็สลัดโกรธออกไปริษยาเกิดก็สลัดริษยาออกไปแข็งดีเกิดก็สลัดแข็งดีออกไปสงบหรือสยบ หรือสลัดก็แล้วแต่อย่าให้มันมาบังคับใจเรานั้นก็เหมือนกับอะไเหมือนกับสิ่งสกปรกตกลงมาในภาชนะเราก็สลัดฝุ่นละอองมาติดเสื้อติดผ้าเราก็สลัดออกไปแต่นั้นเองพวกนี้เป็นเป็นมนติ่นของใจต้องมองเหตุโทษชัดเนแล้วก็สลัดออกเพราพระพุทธเจ้าเล่า ตรงนี้นะะในสมัยที่ทรงเป็นพระโพธิสัตว์ยังไม่ัสรู้ลองสังเกตนะฮะทรงเห็นคุณทั้งสองอย่างเพราะจริงๆ ก, ก็เกี่ยวนึงถึงการปวิเวคือสงัดก็หมายความว่าจิตออกจากกิเลตันแหละแล้วเขาไม่ได้เจาะจงเป็นพระในคารวะานะเพราะอะไรเพราะว่าในขมะที่แบ่งออกเป็นสี่ประเภทซึ่งเคยเล่านานแล้วนะประเภทหนึ่งคือกายออก กายก็ไม่ออกใจกันออกอันนี้ไม่ได้เริงแปรติสสองคือกายออกใจไม่ออกอาจจะเป็นนักบวชอาจจะเป็นภิกษุอาจจะเป็นพจจเนรเทระแล้วก็ได้แต่ยังโลภยังริษยายังแข็งดียังถืออวดดื้อถือดีดอยู่มันก็ไปไม่รอดเหมือนกันบางคนนี่ใจออกแต่กายไม่ออกคือเป็นคารวาสเนี่ยนะแต่อยู่ดีมีศีลธรรมโดยเห็นว่าคารวาสบางคนนี่น่าเคารพนะน่าเคารพน่านับถือ บางทีเราเห็นเนี่ยเราเคารพเรารู้สึกเคารพนะะเราไปแสดงความเคารพก็ไม่ได้รู้สึกเคารพรู้สึกศรัทธารู้สึกตับงสืส่อในคำว่าที่เป็นเนื้อหาจริงๆก็ อ, ออกทางกายทางจิตแต่อย่าลืมว่าเนื้อหานี่คือว่าจิตใจที่บัรจางคลายจากกิเลส ก, ก็ถือว่าสัมผัสเนื้อหาได้ระดับหนึ่งแล้วแม้จะเห็นอย่างนั้นรับส่งว่าแม้กระนั้นจิตของเราก็ยังไม่แล่นไป ยังไม่เริ่มใส่ไม่ตั้งอยู่ได้ไม่หลุดออกไปไม่หลุดออกไปจากอะไรไม่หลุดออกไปจากกิเลสไม่หลุดออกไปจากกามอันนี้เนคขมะนี่คือกามะมาออกจากกามก็แสดงว่าอีกยังไม่ออกจีกยังเนียวนึกศึกนึกถึงกำนายังเพลิดเพลินยังชื่นชมยิ น, ยนดีมือขนาดพระโพธิสัตว์ก่อนจะสัตว์รู้เนี่ยคือถ้าเรามองจริงๆแล้วเนี่ย สละสมบัติจกักรพรรดิมาเลยนะไม่ใช่ธรรมดาแต่ว่าเอาข้อจริงจะดึงจิตให้มันเล่นไปสู่กระแสของธรรมะตามที่ตั้งเป้าเอาไว้ไม่ใช่เรื่องธรรมดาทั้งที่เห็นอยู่ว่านั้นคือสงบในธรรมะนั้นแน่นอนสงบพระเวกนั้นคือแน่นอนสงบแต่ทำไมเราทําไม่ได้ก็คล้ายๆก็กลับมาที่เดิมตะกี้เนี่ยคือว่าเอาไไอ้ปัญหาในเมืองไทยเรา ปัญาเศรษฐกิจสังคมการเมืองมันไม่ใช่เรื่องสลับซับซ้อนอะไรแต่ว่าคนเราไม่มีระเบียบภินในนี่คือเรื่องใหญ่เลยแล้วแก้ยากแก้ปัญหาภูเขาเลยหลายปีมาแล้วทมาเคยไปที่อังกฤษเราตื่นเต้นนะฮะคือตอนที่เข้าเข้าเข้าไปให้ผ่านด่านที่จะออกไปข้างนอกอนะ่ะเข้าไปเมืองครับ คนก็เข้าคิวต่อเป็นแถวแล้วก็มีสุภาพสตรีนคนหนึ่งเป็นคนไทยนะฮะท้องถึกแก่ก็ก็อยู่ข้างหลังอนะฮะอยู่ข้างอยู่ข้างหลังเพื่อนอีกเยอะเลยเพื่อนก็หันมาดูก็เป็นห่วงเขาสงสารเขาเลยเขาก็บอกให้ไปแซงคิวเขาให้ไปอยู่ในคิวเขาแทนก็จะถอยมาให้ไม่เอา แกวดยืนไม่ไหวแกก็นั่งแล้วแม่คนก็ดีกันหน้าเนี่ยนะเว้นช่องไว้ให้อะเว้นช่องไว้ให้พอถึงคิวก็เธอเธอก็เดินมาถึงก็นั่งตวดเลยเลยเราตื่นเต้นเราตะลึงว่าเออคนเนี่ยมันมีอยู่ในระเบียบวินัยสูงขนาดเนี้แล้วคนไทยเราก็ปรับเข้ากับเขาได้ ในขณะเดียวกันฝรั่งเขาก็มีระเบียบปิ น, ยนัยจอมีเราก็ชื่นชมครับแต่ว่าแปลกว่าคนเหล่านี้ยพอกลับมาเมืองไทยมันไม่เป็นนะหรือระเบียบปินัยที่เคยมีเคยปฏิบัติได้ในดินแดนในต่างแดนในต่างชาติแต่มันเกิดปฏิบัติไม่ได้ถามว่าทำไมบอกว่าไม่รู้มันก็เป็นอย่างนั้นนะเยันอยู่ต่างประเทศก็ขับรถอะไรก็อยู่ในกฎในเกณฑ์ดีระเบียบปีนัยดี รถกว่าจัลจรดีพอมาถึงเมืองไทยเในนั้นเราได้ข่าวบางทีนักเรียนอนอกเนี่ยครับรถมาเกิดเรื่องในเมืองไทยรู้แสนรู้นะแล้วปัญหาสังคมบ้านเราเนี่ยมันไม่มีอะไรสังคมปัญหาจา ก, กรรมทั้งหลายเนี่ยมันเป็นเรื่องปัญหาว่าคนไม่ยอมรักษาศีลห้าแล้วก็ดูมินศีลซะด้วยทั้งทัที่ถ้าเรามีศีลห้าเนี่ย ทั้งเศรษฐกิจทั้งสังคมทั้งการเมืองเนี่ยทั้งการทหารนี่แก้ปัญหาได้เยอะเลยแล้วไปหยัดเงินทองนี่เป็นเรียกว่าถ้านังอทั่วโลกเนี่ยหลายแสนล้านนะฮะปีๆเนี่ยเพราะอะไรอ่ะเพราะศึกสงครามทั้งหลายนี่การเตรียมกำลังอาวุธอย่างกองทัพอากาศกำลังจะซื้อเอเท่าไหร่ล่ะเอฟสิบห้าหรืออะไรเนี่ยเอฟสิบเจ็ดสิบกอ่ะต้องผูงราคาตั้งห้าพันล้าน แล้วก็แม้สยองนะฮะคือค่าใช้จ่ายจะตามมาทียิบเลยแต่เพราะมันบ้านเมืองไว้วางใจไม่ได้ทหารก็ต้องคิดแบบทหารแต่ถ้าหากว่าคนไม่อยู่ในศีในธรรมกันเอาเพื่อนบ้านของเราเนี่ยทางคนต่างก็เป็นชาวพุทธรอบบ้านเราส่วนใหญ่เป็นพุทธนอกจากข้างล่างเห็นไหมเวียดนามก็เป็นพุทธแล้วก็ลาวก็เป็นพุทธ ขเขมรก็เป็นพุทธเขมรเนี่ยศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติเลยพ ม, กกม่าก็เหมือนกันแล้วก็ข้างล่างก็มาเลเขาก็เคร่งศาสนามาเลเนี่ยอยู่ในศีลไม่ยล่ะมาเลก็อยู่ในศีลทุกคนอยู่ในศีลของตัวเองนะฮะจะเรียกยังไงก็ตามบทบัญญัติของกฎหมายง่ายๆธรรมดาเนี่ยพวกคริสก็อยู่ในบัญญัติสิบประการเนี่ยไม่ต้องเกิดสงครามนะ่ะ นั่นคือแสดงว่าเรารู้แสนรู้ปัญหามันมาทางไหนมันรั่วไหลาทางไหนเรารู้แสนรู้นะเมื่อก็เหมือนกับปัญหาจากิเศษติดปัญหาเรื่องสุราปัญหาเรื่องความไม่ขยันนาการงานแล้วแล้วเวลาเนี้ยนะแม้แต่ญาติโยมที่มาคุยเนี่ยนะมาจจะต่างจังหวัดเราก็เล่าให้ฟังส่วนมากจะเจอเร้านทำงานเดี๋ยวนะะคือคือโอกาสได้เจอว่างในยากไม่ไม่ไม ไม่เขียนอยู่ไม่พิมพ์อยู่ไม่อ่านอยู่ก็ต้องทําอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วบางทีเขาก็นอนเขาก็ตั้งค้าวคุยยาวเลยบอกว่าคุณต้องการอะไรพูดเลยนะจะมีเวลาจะเท่านั้นเท่านั้นเท่านั้นเกิที่จริงเราก็เป็นคนบ้านนอกแต่ว่าพอมาอยู่เข้ามาเห็นข้าวเนี่ยเออชีวิตเราก็กล้ความตายเข้าไปทุกวันทําไมต้องรีบทําอะไรมันมากขึ้น รีดที่จะปฏิบัติภารกิจสนองงานพระศาสนามากขึ้นเนี่ยเวนี้มาทําวางแผนทําหนังสือค้างอยู่เวรนี้เจ็ดเล่มนะค้างอยูมันเรื่องมันมารุมมาตุ้มจนตั้งหลักตรวจข้อสอบตรวจหนังสือไม่ได้ทําต้นฉบับไม่ได้ทำดัมมี่ไม่ได้นะะที่จริงก็ทําต้นฉบับนะก็ไปทำแบบนี้ทําไม่ได้ไม่มีเวลาเลยเวลาถูกลากไปนูน่นไปนี่ไปนั่น เราก็นึกว่าเออเราก็แก่แล้วไม่กี่ปีจะตายแล้วก็นึกจะทำอย่างใต้ร่มพโพธิญาเนี่ยเป็นความฝันวันกอ่นกอนมีโยมคนหนึ่งก็ทานารณะเงินมางนคงได้คงแล้ฟังรายการเนี่ยนะก็จะสนับสนุนในการทําใต้ร่มพโพธิญานะคือได้ามาคิดจะทําเนี่ยคงทําไปเพียงนี้นะะเพียงเพียงจบที่ทำรร ม, มาจากก็มาฝันมานานฝันมาตั้งแต่เป็นเด็ก น, น, น้อยๆทําไปนะ ว่าทํำยังไงให้อธิบายธรรมจากให้ชัดเจนแล้วสมัยเป็นเรนเนี่ยมาสวดทำส่วนนาตลักษณะสตรแปรนะฮะไปงานศพต่างๆเนี่ยเขานิมนต์ไปสวดแปรโอ้ยสวดเดินๆดินลงกันเลยลเราก็ซึ้งกับพระสูตรสองสามสูตรที่ซึ้งจริงๆอยากจะศึกษาอยากจะหาความเข้าใจลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นพอได้รู้มาปฏิยาเนี่ยเราจะเห็นอย่างหนึ่งนะว่าการจัดสรุปไม่ใช่ว่า น, นั่งคิดๆเอาคนบางคนไปอธิบายพูะเจ้านั่งคิดเอาแล้วก็จตตารู้เลยพูดง่ายเกินไปนะฮะมันเป็นกระบวนการปฏิบัติที่พัฒนาไปเรื่อยมาจนถึงจุดหนึ่งเนี่ยพระองค์ก็ศัตสรูแต่ว่ากว่าจะขับเคลื่อนจิตเข้าไปได้เนี่ยเห็นไหมว่าเห็นคุณของเนคขมะเห็นคุณของความสงบรู้แสนรู้มันสงบแต่ใจไม่ยอมขยับเคลื่อนไปไหน ดลงนันก็จึงจึงึงงคิดต่อไปว่าอานนท์ความคิดได้เกิดขึ้นแก่เราสืบไปว่าอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทำให้จิตของเราเป็นเช่นนั้นก็สงหิดว่าไอ้โทษของกามเนี่ยยังมองไม่ชัดเจนแล้วยังไม่ได้มาทำมาคิดได้มากมันก็อะไรล่ะอยู่ในสภาพรักพี่เสดายน้องอะ่ะ จะเก็บทั้งดอกตุูมดอกบานะอย่างเพลงที่ว่าเนี่ยคือหมายความว่าไอ้กามคุณก็โทษมันไม่ชัดไอ้เนคขมมะก็ยังไม่เห็นคุณชัดเลยประดักประเดิดเลยเลยไปไม่ได้เพราะปัญญาเนี่ยนํามาตรวจสอบเนี่ยเราลองสังเกตทวายานที่บอกว่าเมืองไทยเนี่ยขอให้ช่วยกัรรักษาศีลห้าเพิ่มขึ้นหน่อยแล้วก็งดเว้นอะไรยมุขขอสามข้อก่อน เพราะอย่างอื่นมันไม่ค่อยแปลกอะไรเท่าไหร่นะฮเช่นว่าดูการนัเล่นเวลา น, นี้มันก็ดูโทรทัศน์กันได้แล้วไม่ค่อยมีการแสดงอะไรต่างๆแต่อย่างไปเต้นยองหย่่งยองหยงั่งอยู่แถวโลกดนตรีอยู่เยอะเหลือเกินพวกนั้นเนะี่ยแต่งไงก็ขอเลืิกได้สามอย่างไหนจะลดอะไรลงไปเยอะแต่ถ้ายังไงจิตจะแล่นต้องคิดให้ชัดเจนต้องเห็นโทษชัดเจนมานั่งสมมุตินหนึ่งเดือนเนี่ยดูสิงเงินมันหายไปไหน ถ้าตัดตรงนี้ได้ไหมตัดที่การประนันได้ไหมตัดที่หยุดทำงานจะได้ไหมตัดที่เสพ ย, ยาเสพติดได้ไหมเสพติดไม่เอาทั้งหมดนั่นแหละทั้งพวกเหล้าทั้งพวกบุหรี่ทั้งพวกอะไรแต่ไรแต่มันนั่งดูดบุหรี่อยู่ทีหนึ่งเนี่ยกี่นาทีเคยนับนะเคยตั้งสังเกตสมัยที่เป็นคารวาแต่มเขาบอกพวกพวกคุยพวกพว ก, พกลองนับดูแต่ดูดบุหรี่มว น, นกี่นาทีแล้วว่าเราดูดกี่มวนแล้วดูดมันทำอะไร คือ okay, ถ้าเราจะพยายามคิดเตือนใจเตือนใจสอนใจตนเองอยู่บ่อยๆแล้วเนี่ยจิตมันจะขยับได้ตัว น, นี้จึงเป็นแบบอีกวิธีหนึ่งนะฮะเป็นการมองเห็นโทษเห็นคุณได้ชัดเจนแล้วจึงจิตมาขยับแต่ว่าตอนที่มันมันไม่ไม่ขยับเนี่ยเพราะว่าไม่ชัดเจนทั้งสองท่านคือคุณก็ไม่ชัดเจนโทษก็ไม่ชัดเจนทํำยังไงจะเพิ่มปัญญาขึ้นให้เห็นคุณของความดีชัดเจนในโทษของความชัว่วชัดเจน แล้วก็ลากพุทธประพฤติได้ทั้งฝั่งทั้งหลายแต่รมประโพธิญาณในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเป็นท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญมองนาไปบูรณนธรรมจงมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยตัวกันสวัสดี